แนะนำบทอันมุมินูนบทอันมุมินูนเป็นบทมักกียะที่กล่าวถึงหลักฐานของศาสนาเช่นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความเป็นเอกภาพศาลและการฟื้นคืนชีพบทนี้ถูกขนานนามด้วยชื่ออันทรงเกียรติว่าอัลมุมินูนเพื่อเป็นอนุสรและเชิดชูความดีงามของพวกเขาซึ่งสมควรจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์ชั้นฟิรเดาอันสูงส่ง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 ฝากกระแสน้ําในท้องทะเลซึ่งเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมีอัลเลาะห์วันนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวของนบีบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการที่ท่านได้ประสบกับการทําร้ายจากพวกมุชริกีนโดยกล่าวถึงเรื่องของดะบีนูห์นบีฮูดนบีมูซาและเรื่องราวของมารยัมผู้บริสุทธิ์และบุตรของนางคือนบีอีซา และได้เปิดเผยถึงความดื้อดึงของชาวกุฟฟาตมักกะฮ์และความเย่อหยิ่งของพวกเขาที่มีปฏิกิริยาต่อสัจธรรมหลังจากเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พวกเขาแล้วนอกจากนั้นยังได้นําหลักฐานและสิ่งพิสูจน์ต่างๆมายืนยันถึงเรื่องการฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์ซึ่งเป็นการสําคัญของบทนี้บทนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวและความคับขันที่พวกกุฟฟาตจะประสบ คือความตายโดยที่พวกเขาจะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างลำบากยิ่งพวกเขาจะภาวนาขอกลับมาใช้ชีวิตในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อชดเชยสิ่งที่พวกเขาได้ละเลยในการทําความดีแต่มันเป็นความหวังที่เลื่อนลอยและห่างไกลเพราะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้วบัดนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันกิยามะห์โดยที่มนุษย์จะถูกแยกออกเป็น 2 จําพวกคือพวกที่รับความสุข และพวกที่รับความทุกข์ทรัพย์สมบัติก็ดีวงตระกูลก็ดีก็จะตัดขาดไม่มีอํานวยประโยชน์ให้แก่ใครเลยนอกจากการศรัทธาและการงานที่ดีและการสนทนาได้ถูกบันทึกไว้ระหว่างพระผู้เป็นเจ้าและชาวนรกโดยที่พวกเขาได้ร้องตะโกนอยู่ในนั้นแล้วพวกเขาจะมิได้รับความช่วยเหลือและมิได้รับการตอบแทนแต่ประการใด بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ noy phra nam khong allah phu song karuna phu song metta samoe allad aflahul mu'minun nae non banda phu sattha dai prasop khwam samret laeo alladheena hum fi salatihim khashi'un banda phu thi samruam tua ในเวลาละหมาดของพวกเขาอัลลอซีนะฮุมอานิลลอวมุอริฎุนและบรรดาผู้ที่ผินหลังให้เรื่องไร้สาระต่างๆอัลลอซีนะฮุมลิซะกาติฟาอิดุนและบรรดาผู้ที่ทําการบริจาคซะกาตอัลลอซีนะฮุมลิฟุรูจิฮิมฮาฟิดุนและบรรดาผู้รักษาทวารเบา ของพวกเขาอิลลาอะซวาจิฮิมเอามามัลกะตอัยมานึฮุมฟะอินนะฮุมฆอยรุมะลูมีนเว้นแต่แก่บรรดาภริยาของพวกเขาหรือที่มือขวาของพวกเขาครอบครองคือทาสีในกรณีเช่นนั้นพวกเขาจะไม่ถูกตำหนิและไม่ถูกลงโทษ <würdenancia mentorísimo Oxide> ذلك فاولائك هم الملعونون چناننھوไดแสวงหาอืนจากนั้นชนเหล่านั้นแลเป็นผู้ละเมิดขอบเขต ออลละซีนะฮุมลีอมานาติฮิมวะอะฮดิฮิมราอูนและบรรดาผู้ที่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายแก่พวกเขาและสัญญาของพวกเขา والذين هم على صلواتهم يحافظون لبنดา ผู้ที่รักษาการละหมาดของพวกเขาเอาไว้ اولائك هم الورثون ชนเหล่านั้นแหละคือบรรดาทายาท الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ซึ่งพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟิรเดาเป็นมรดกซึ่งพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและความจริงเราได้บังเกิดมนุษย์อาดัมมาจากธาตุดินซุมมะจอัลนาฮูนุตฟะตันฟีกอรอรมักกี แล้วเราทําให้เค้ามนุษย์เป็นเชื้ออสุจิอยู่ในที่พับอันมั่นคงคือมดลูกตุมะคอละกุนันนุตฟะตะอะละกะตะฟะคอละกุนัลอะละกะตะมุดฆะตะฟะคอละกุนัลมุดฆะตะอิดะมะฟะคอละกุนัลมุดฆะตะอิดามันฟะกะซูนัลอิดามะละห์มา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 กลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่งดังนั้นอัลเลาะห์ทรงจําเริญยิ่งผู้ทรงเป็นเลิศแห่งผู้สร้างทั้งหลายซุมมาอินนะกุมบะอฺดะดะลิกะละมัยตุนหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอนซุมมาอินนะกุมยะมะลกิยามะตุตุบะอฺซุนหลังจากนั้นพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นในวันกิยามะ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ لَنَأْنُونْ ยิ่งเราได้สร้างชั้นฟ้าทั้ง 7 ไว้เบื้องบนพวกเจ้าและเราไม่ได้ทอดทิ้งระบบการสร้างเลย وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَنَزَّلْنَا الْغَيْثَ نَهْرًا لِّنُحْيِيَ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَىٰ بِلَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهَةً كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَذِى النَّامِ ذَلِكَ رَبُّنَا جَعَلَهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالظَّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ لاَ دَاعِيَةٌ تَمْهِي مَنْ بِتْنْ مَايْ سايتون تي ภูเขา Sinai ซึงมันได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันและน้ำแกงสำหรับผู้บริโภค وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُمْ مِنْ ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون لا تهج في เรื่อง पशु السات عود وبقะนั้น بن كوا كيت สําหรับพวกเจ้าเราให้พวกเจ้าดื่มสิ่งที่อยู่ในท้องของมันคือน้ําลมและในตัวมันมีประโยชน์มากมายสําหรับพวกเจ้า لَ بَعْضُ شَنِيتِ فُوكْ جَاوْ كَ بَارِيْهُوكْ مَنْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ لَ فُوكْ جَاوْ دَايْ بَنْทُوكْ บอนลัง มَنْ เชนเดียวกับ ดายْ บันทุคบอนเรอวะ ลَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَال فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ และเป็นที่แน่นอนยิ่งเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาแล้วเขาได้กล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เถิดสําหรับพวกเจ้านั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ดังนั้นพวกเจ้าจะไม่ย้ําเกรงหรือตะกอลลัลมะลาอุลลซีนะกะฟะรูมินเคาอูมิฮาซาอิลลาบะชรมิตลุกุม بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين لو انا ของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในกลุ่มชนของเขาก็ได้กล่าวขึ้นว่า